อารมณ์สัญญาต่างๆทำให้ตัวของตัวเดือดร้อนด้วยอารมณ์ข้องใจไม่มีไฟนรกปัจจุบันคือไฟนรกในใจไม่มีเผาตัวเองดับได้สงบระงับเศษผีที่จะไปคิดงงอย่างนั้นอย่างนี้เกาะไฟในเรื่องวิเลตัญหาไม่มีดับ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 การนั่งภาวนาหรือการฟังธรรมะไม่มีอะไรไายจะไปทำชั่วช้าต่างๆตาหูจมูกลิน้นกายเขาไปทำอะไรเงียบส ง, งบตากรบาบกายวายว่าต่างๆอยู่ปกติมีใจใจเท่านั้นที่คิดตูง ใ, ในทางชั่วทางเสียต่างๆจึงควรระวังรักษาใจของตัวจะให้ไปคิดชั่วสังวรใจเอาไว้ตั้งใจกำหนดอัจทำให้ใจสงบให้ใจเย็นโทษจากความรุงคิดต่างๆเพราะเคยคิดปรุงกันมาเป็นเวลาหลายปีคุณความดีเกิดจากการคิดปรุงนั้น ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐวิเศษได้ถ้าหากการคิดการฟรุงการปล่อยไปตามสัญญาอาวมเป็นของดีแล้วเราทุกคนจะพ้นจากกิเลสไม่มีอะไรที่จะมาเป็นคิดไถยของใจไม่มีอะไรที่จะอยากได้อีกต่อไปคอใจปรุงคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้ ความดีมาสนองแก่ความปูงคิดของตัวนี่ไน่เป็นอย่างนั้นคิดไปเท่าไรยิ่งมีความอยากได้คิดไปเท่าไรยิ่งเศร้าหมองคิดไปเท่าไรยิ่งเดือดร้อนแหกเผาดังนั้นท่านจึงห้ามไม่ให้คิดไม่ให้จิตค่องในเวลาทำความสงบกายสงบใจก็ให้สงบวาจาเราก็ไม่ได้พูดอะไรที่จะเป็น ถ้าสึกแก่สิ้นธรรมของตัวมันสงบความชั่วไปได้ทั้งกายทางวาจางแต่ยังเหลือแต่ใจเราจะแก้ไขหรยอุบายวิธีใดใจของเราจึงจะสงบตามกายตามวาจางของตัวนอกจากจะมีสติละลึกไม่อดในธรรมไม่ให้จิตยึดตัวไปในทางนอกรักษาเอาไว้ อย่างอื่นไม่มีการแก้ไขจิตใจของตัวที่ชั่วปรุงต่างๆให้หดมาได้นอกจากสตินอกจากปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธฟาดฟันห่านกิเลสไม่มีอาวุธอะไรจะประเสริฐพิเศษเท่าสติปัญญาเราทุกคนก็มีสติมีปัญญาพอที่จะเสริมสร้างสู่รบกับเอาขาดสึก อ, อาวุฒของเรามีมันกำหนดหมันที่นี้ที่จะไรนาะกิเลสตัณหามันจะยกกางคนมาจากที่ไหนหากเรามีสติปัญญาภายในใจของเรามันไม่กล้าที่จะต่อสู้เรื่องสติปัญญาแต่กิเลสตัณหาจะหอบพิ้วเราไปในทางชั่วเ พ, า ะ, เพาะขาดสติปัญญารักษาตัว จึงพากันทีนี่พิจารณนาะคนคิดความติตของคล้องใจทําความสงบให้ได้ความสงบเท่านั้นเป็นยอดความสุขแทนจึงว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นพาสิที่พระพุทธเจ้าทรงแนีนสอนเราวิ่งวุ่นอยู่ทุกการทุกเวลาหรือว่ามีความสุข ดูหนังฟังเพลงคือว่ามีความสุขแต่ ม, มันไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงความสุขของกิเลสตัณหายาคิดเกือบน้าตาลภายนอกหวานแต่เมทานเข้าไปรับเข้าไปอาจจะทำชีวิตให้ตายไปก็ได้คนที่ลุ่มหลงในเรื่องกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นเข้าใจว่าดีในเมื่อ มันชอบแต่พอไปตามเรื่องของมันจับให้ทุกเป็นอย่างนี้ทางของกิเลสปัญหาส่วนทางของมรรคถึงจะลำบากยากเย็นในการรักษาในการกำหนดที่เจรณาก็ตามแต่ผลที่ได้มาจากการกระทําของตนจะมีความเยือกเย็นจะมี เป็นผลเกิดขึ้นแต่นั้นจงพาการจะ ท, ำำทําบําเพ็ญถึงยากลําบากก็ไม่ใช่แต่เราคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ออยากก็ลําบากเหมือนกันก่อนที่ท่านจะได้ตัดพรู้เป็นพระพุทธเจา้ามาสอนพวกเราพวกเรามีครูมีอาจารย์มีผู้เนี้ยนำผ่ำสอนอยู่เหมือนกันกับว่าพระพุทธเจา้านั้นท่านตัด ถนนทอนทางให้แต่ก่อนเป็นป่ารกดงทึบไม่มีใครที่จะตัดถนนทอนทางให้ท่านพยายามตัดโดยพระองค์เองจนทะลุปุกโ ป, ปง่งไปสะดวกสบายเมื่อท่านตัดถน น, นให้ก็บอกคนอื่นว่าเดินตรงนี้ตามถนนนี้จะปลอดภัยจะถึงที่สุด จุดประสงค์ของพวกท่านแล้วพวกเราเกิดมานับว่าเป็นผู้หี่มีอำนาจวาสนาถนนที่พระพุทธเจ้าสร้างไว้ให้ยังมีทางเดินของใจแต่นั้นจงพากัรพยายามรักษาเดินตามมักหาคือถนนที่พระพุทธเจ้าบอกสัมมาทิฏฐิให้เห็นช้ออย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสัมมาสังกัปโป ดำริในทางที่ชอบอย่าไปดำริในทางที่ผิดจิตใจจะมีความเบิกบานจิตใจจะมีความสงบเย็น่านีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโตซึ่งเป็นตัวปัญญาเป็นหัวหน้าแล้วสัมมากรมันโตการงานก็จะต้องชอบสัมมาอาชีวสัมมา วายะโมสมาสมาสติสมาสมาธิจะวิ่งไปตามเพราะหัวจากส่วนใหญ่ไปแล้วแตะนั้นจงพากันเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนจะปลอดภัยใจที่เป็นสมาธิเป็นจิตใจที่ยั่งถึงทำสำคัญมากท่านว่าสมาธิิือเห็นทุก ทุกมันมีอยู่ที่ไหนถ้าหากเราไม่เห็นก็ให้พิจานะรณาให้รู้ทุกมันมีอยู่ทุกท่านทุกคนทุกมันมีอยู่ที่จิตหลุ่มหลงที่จิตจิตคล้องที่จิตยึดถือถ้าหากจิตไม่ยึดถือจิตไม่จิดคล้องจิตไม่ป้วกันสิ่งนั้นจะนำทุกมาให้แก่ตัวค้องตัวไม่มี หหเห็นทุกเหตุให้เกิดทุกมันเกิดมาจากอะไรเรียกว่าส ม, มุทยัยคนดูที่จรน า, นาดูเพื่อตัดสายเหตุของมันในครัวพันเกี่ยวข้องกันเหมือนต้นไม้ที่มันจะเติบโตขึ้นได้จกดดอกออกผลหรือมีใบสดเขียว มันเกิดขึ้นจากที่ไหนเมื่อเราพิจารณาดูต้นไม้โดยขี่ทวนแล้วใบของมันจะสดตื้นอยู่ได้ก็เพราะอาศัยรากของมันดึงดูดอาหารจากที่ดินไปหล่อเลี้ยงไม่อย่างนั้นต้นไม้มันก็จะสดตื้นไปไม่ได้พยายามตัดรากของมันตัดรากของมันขาดไปแล้วในต้องไปบอกให้มันเหี่ยวมันแน่ มันร่มมันตายเม่อกาตายไปเองฉันใดจิตใจที่ท่านกล่าวไว้ว่าเรื่องของส ม, มุทยัยก็ทำนองเดียวกันก็ให้เกิดทุกข์จิตไปยึดไปถือไปฟัวไปพันไปเกี่ยวไปข้องโดยความหยาบของใจเรื่องว่าตัณหาการมาตัณหาความใข่ในรูปเสียงกิ่นรดสัมผัสและอารมณ์ ต่างๆเรียกว่าการมาตันหาความทะเยอทะยานอยากในเรื่องของการมนี่ทำให้เกิดทุกข์แสดเขาจิตใจในยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะถ้าแต่เนีนแต่้ารว่อยาิโยมตลอดถึงสัตว์มีความติดข้องในการมตัญหาถ้าจิงเรียกว่าการมโลก โลกที่ยินดีในกามโลกที่ยังเสบการจิตที่ตกอยู่ในโลกส่วนนี้จะเกิดทุกข์แหบเถาจิตใจของสัตว์อันนั้นคำว่าสัตว์ก็คือผู้คล่องคล่องในกามอันเนี้ยคนที่มีจิตรู้เห็นตามเป็นจริงละวางเรื่องของกามได้จึงเป็นผู้ที่ประเสริฐวิเศษในทางธรรม ถาพูดตามตำรับตำราขัานกว่าพร ะ, ะ, พะอน า, าคาหมดเรื่องร า, าคาปฏิฆะคือความกำหนัดของใจของ่ันไม่มีความหงุดหงิดของใจท่านไม่มีมมมแล้ว่ันผู้จีบประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นก็ไม่กลับมาสู่โลกอีกผู้ที่ผาจากเรื่องราคาเรื่องของการม ตรามเป็นตัวสำคัญที่ทำใจของพวกเราท่านให้เราร้อนวุ่นวายเกิดทุกข์จึงควรกำหนดทีนิตพิจรารณาเรื่องของใจที่มันไปเกี่ยวข้องตัดล่าของมันใจที่มันไปเห็นอย่างนั้นไปชอบอย่างนั้นไปติดอย่างนั้นพยายามสืบสอบทีนิตพิจรารณาด้วยสติด้วยปัญญาเพราะมันสำคัญหมันหมายอะไรไจึงไปติดใจ ยินดีอย่างนั้นในตัวของพวกเราท่านมีอะไรเป็นของหอมหวนส่วนสมไม่มีอะไรไม่ว่าผู้เล็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าไทยว่าเท็มันเหมือนกันเต็นไปด้วยของเน่าของเหม็นของปฏิกูลทางนั้นจิตใจของพวกเราท่านไม่เห็นตามเป็นจริง จึงหลงตำแหน่งจึงหลงยินดีจึงหลงเปิดเผยฉะนั้นท่านจึงให้กำหนดชนิดที่เจรณาเพื่อเห็นตามเป็นจริงของมันจะได้ตัดเรื่องของใจจิตได้ไขจิตต่งางๆมีเรื่องการตัดจิตตัดใจให้ห่างไกลไปจากราคาตัณหาต้องอาศัยการพิ่เจรณาต้องอาศัยการภาวานาส่องอาศัยความสงบของจิต คิดนึกทินิทิเจนาใต้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงเพราะกายถ้าหาทินิทิเ จ, าจนาแยบถายชัดเจนแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่เหตุใดครูอาจารย์หรือพระพุทธเทจา้าตำหลับตราจึงบ่งบอกให้ทิทนิทิเจนาเพราะใจมันหลงถ้าใจมันไม่หล ง, ม, ม, ลงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของกาย มันไห่ว่าเป็นหญิงเป็นชายมันไห่ว่าเป็นแข็งเป็นค้าเป็นหูเป็นตาเราสมมุติต่างหากเขาไม่รู้จักอะไรเรื่องข่างกายแท้เป็นอย่างนั้นข่านจึงไห้พิจารณาเรื่อง่ายินน้ำลมไฟสี่เปรสมกันเข้าเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายตามเรื่องสมมุติพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจแยกแยะออกลูก เนี่ยถาดดินก็แยกแยะออกส่วนนั้นไปกองไว้ส่วนนี้ไปกองไว้แยกกันออกเป็นส่วนๆแล้วอะไรมันสวยมันงามน่ากำหนัดจินดีถ้าจิตรู้เห็นเด่นชัดตามเป็นจริงมันจะไม่เกิดกำหนัดมันจะไม่เกิดยินดีแล้วก็ไม่มีอะไรในเรื่องของกายที่จะพิจารณาไปอีกเพราะเรื่องของใจยไม่มีความหมายมันอยู่กับเรื่องของใจจะเข้าใจขนาดชัดเจนอย่างนั้น จะมากำหนดกายเป็นอสุธาอสุทังอีกกำหนดไม่ได้เพราะมันแยบชายมันเบือ่อมันอิ่มมันพอแล้วหนีไม่ถึงจิตจี่พอในขันหองลูกจะต้องวางลูกไปที่เจนานามภายในใจมันละมันถอนไปเป็นขันขัน้นแต่จี่จะเป็นอย่างนั้นก็ต้องฝึกต้องอบรมมาก่อนเหมือนกันกับเราจะกินมมะพร้าว เปลือกมันมีกลามันมีทําไมไปทํามันล่ะเปลือกกลาก็เพราะเมื่อในมันอยู่ภายในถ้าหาไม่เอาเปียกออกเที่ย ก, ก่อนแล้วอากลาออกเที่ย ก, ก่อนไม่เห็นเมื่อเห็นน้าของมะพร้าวแต่นั้นการพิ่เจรณาเรื่องของกายขอทํานองเดียวกันจําเป็นที่พวกเราทุกท่านที่ยังจิตข้องจะต้องกําหนดพิ่เจรนาถ้าที่เจรณาได้แล้วเปลือกมันทิ้งไปจะเอาไปกินไปทานทําไม เปลือกมันไมนมีรสชาติอะไรมากก่าปลาก็เหมือนกันทำแม้ของพระพุทธเจ้ า, จา ก, ก็มีหลายขั้นฉะนั้นการที่เจรณาจําเป็นเมื่อจิตยังเห็นว่าสวยว่างามยังติดยังข้องยังกําหนัดยินดีจะต้องขี่ทายที่นี่พี่เจรณาเปลือกของกายให้ขี่ท่วมจนพอบริบูรณ์เมือ่อใดไม่ต้องบอกมันวางเองปล่อยเองนี่ผูกไว้เพื่อปฏิบัติ จะรู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นเป็นในตัวเป็นอัตโนมัติการเผื่อปฏิบัติธรรมทุกคนมีสิทธิ์ใช่พระเนนเท่านั้นแต่เผื่อปฏิบัติได้คร า, ว า, าระว่าญาติยอมะพื่อปฏิบัติได้ทั้งนั้นเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของสาธารณะไม่ว่าใครสั่งใจเผื่อปฏิบัติได้เสมอกัน หามีความเชื่อความเหลื่อมสมีศรัทธาในกิตในใจท่านในภูขาดแบบเทศนั้นจึงจะ่ผูพิชิปฏิบัติได้เทศนี้หา้ามท่านเลยมีในตำรับตำราในโอวัทของพระพุทธเจ้าเป็นของสาธารนณะที่พวกเราทุกคนจะต่างหน้าต่างตาผูพิชิปฏิบัติได้และธรรมะก็เป็นมหาสมบัต ไม่มีหมดมีสิ้นคนจะประพฤติปฏิบัติทั่วโลกรู้เห็นเป็นจริงธรรมะก็ไม่หมดไปยังคงเจนคงวาอยู่ผู้จิตมีจิตใจเป็ธรรมะจะอธิบายธรรมะตลอดวันตลอดเวลาธรรมะที่มีในใจก็ไม่มีอะไรที่จะบกพ่องไปยังคงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นยิงว่าธรรมะเป็นมหาสมบัติ ที่พวกเราทุกคนจะสนใจตั้งหน้าศึกษาตั้งหน้าภาวนาห า, าความสงบของใจให้รู้เห็นเป็นขึ้นจากตนของตนจะไม่มีการกังวลสงสัยว่ามรรคผลเป็นอย่างไรเพราะเราเห็นเรารู้จากการกระทาําเพ็ญของตนธรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัดต่าง รูเห็นเฉพาะตนเป็นอาการวิโกไม่มีการมีเวลาเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองที่เราสวดกันไม่ใช่ว่าธรรมะหมดไปตามการตามเวลาพระพุทธเจ้าหอบหิ้วอัดทำมรรคผลนี้ไปจากพวกเราเกิดสุดท้ายภายหลังไม่มีอะไรพอพฤ่งปฏิบัติไปก็กล่าประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่เคยพูด และความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้นยังมีอยู่ผูตตต้ต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติรักษากายใจของตนยังจะได้รับความสงบสุขยังจะพ้นจากทุกนในวัฏจัสงสารได้ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านต่างหน้าที่นี้พิจารณารักษาจิตใจของตนด้วยสติปัญญาธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ จะเป็นสมบัติของใจของพวกเราท่านทุกคนหากเราเมือนเฉยคอยวันคอยคืนคอยเดือนคอยปีใปีเดือนทำให้ก็ไม่มีวันใดที่จะป่อยศพพบธรรมะของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจงเร่งรีบแต่ทำบำเพ็ญเพราะระยะนี้โอกาสนี้ พอกเราท่นานก็ยังมีสมบัติคือกายใจสมบูรณ์ด้วยกันทุกคนจึงควรตั้งวนของตนประพฤติษปฏิบัติให้รู้ให้เห็นเด่นชัดจะไม่มีทางสงสัยว่าผลนิพพานหมดการหมดสมัยหรือไม่การประพฤติษปฏิบัติจึงประพฤติษปฏิบัติในกายในใจของตัวกายใจนี้แหละ มหาวิทยาลัยที่จะศึกษาเพราะวิเลตัญหาหรือมรรคผลมีอยู่ในกายใจของเราท่านถ้าไปหาที่อื่นไปมองที่อื่นจะไม่เกิดไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้ฉะนั้นเราปู้ที่มีกายใจดงตัางนาพิจารณาศึกษาให้รู้ให้เถอนใจตามสงบความฟุ้งฟุงต่างๆ ความมีอยู่ในกายในใจของเราในใจมีอยู่ตามหลักตำราเราเข้ า, าป่าก็เพื่อปฏิบัติก็เพื่อหาสถานที่สงบสงัดนิแต่ไม่รักษาจิตใจของตนไปดงเอาอารมณ์ที่ผ่านมาคิดนึกในเวลาที่อยู่ป่าอยู่ที่สงบในเวลาที่นั่งภาวนา มีแต่อากับกิริยาทางกายแต่ใจฝุ่งฟูลดคิตจิตหล่องเรื่องต่างๆก็ไม่มีอา น, นิสงส์คือไม่มีความสงบไม่มีความเยือกเย็นไม่มีความเห็นแจ้งดังนั้นจงพยายามรักษาด้วยสติปัญญาศึกษาธรรมะจากกายบาจายท่องตนคนนั้นถ้าหากเหมั่นพยายามมีสติประคองรักษามีปัญญาแนะสอนใจ จะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าความสงบสงัดของใจเป็นอย่างไรจะประทับในจิตในใจของตนมรรคผลที่พระพุทธเจ้าเน้สอนก่อจะเป็นต้มบัติของผู้ประพฏิบัติไม่มีทางจะสงสัยแต่นั้นขอทุกท่านจงรีบเร่งกระทำบาเพ็ญตามโอวา ท, ทาำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มันจะมีความสุขกายสุขใจการอธิบายธรรมะ็เห็นแบบพอสมควรเจริเวลาพอจะติดเพียงเท่า น, นี้